ยอดหยบไม่ต้องทำงานบ้างเหรอมาทุกวันมาแน่นๆทุกวันหลวงพ่อมา ก, ก่อนไปหาครูบาอาจารย์นะเดือนหนึ่งไปได้ครั้งหนึ่งวันเสาร์วันอ า, าทิตย์อะไรเงี้ยไปหาหลวงพ่อพุทธที่โคราชแล้วก็สามเดือนสี่เดือนอะไรเนี้ยช่วงที่จะมีวันหยุ ด, ดยาวๆอะไรถึงจะไปหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศอะไรเงี้ยไกลๆหลวงปู่สิม ไม่ได้เรียนจากครูบาอาจารย์มากหนะลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ประเภทโฉบโฉบนะพวกพระที่อุ ป, ปถาก์เรียกหลวงพ่อว่าพวกพึ่งน้อยโฉบมากินน้ำหวานแล้วก็หนีไปนะี่หลวงพ่อจะไม่ไม่ติดครูบาอาจารย์หลวงพ่อนะสนใจอยากรู้อยากเห็นไปเรื่อยเราเรียนจากหลวงปู่ ด, ดุลย์ สองครั้งนะก็เข้าใจแล้วเข้าใจธรรมะที่เหลือก็ไปหาท่านบ้างหนีไปสำนักน้นสำนักนี้นะเข้าหาครูบาอาจารย์อื่นๆหาประสบการณ์เมื่อก่อนไม่รู้นะว่าทำไมต้องไปศึกษาอะไรเยอะๆไปหมดแต่มาถึงนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเราตั้งใจจะทำงานเผยแพร่คนมันหลากหลาย คนมันหลากหลายธรรมะก็หลากหลายนั่หลวงพ่อจะไปเรียนสารพัดเลยเข้าไปตามสํานักต่างๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยไปมาแทบทั้งหมดอะยกเวณนสํานักมิจฉาทิฏฐินะใจมันไม่เอาเลยใจมันไม่เหยียบเข้าไปเลยถ้าสํานักที่ยังอยู่ในกลุ่มของสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะไปไปหาหลวงพ่อเทียนก็ไปนะไปดูไปดูท่าน หลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ใช่สายวัดป่าหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าแต่เราก็ไม่ได้ปิดตัวเองอยู่แค่นั้นไอ้หลวงพ่อเทียนเนี่ยเขาว่าดีนักหนาลองไปดูท่านเออท่านก็ดีของท่านจริงนะก็มีอย่างทุกวันนี้คนที่สืบทอดหลวงพ่อเทียนได้เห็นแต่หลวงพ่อคำเขียนเงี้ยก็มีไม่ใช่ว่าสายอื่นๆไม่มีหลวงปู่บุตรดาเนี่ยไม่เจอท่านนะแต่ว่ารู้ว่าท่านก็ดีของท่าน ดีจริงๆก็มีสายอื่นๆนอกวัดป่าเที่ยวทะเวนศึกษาไปเรื่อยๆกับครูบาอาจารย์หลายสิบองค์ในความเป็นจริงแล้วธรรมะเนี่ยถ้าเราเข้าใจแก่นของมันนะเพียงอันใดอันหนึ่งก็พอละเพียงอันใดอันหนึ่งก็พออย่างแค่รู้สภาวธรรมคู่เดียวก็พอเช่นจิตเผลอไปกับจิตรู้สึกตัวรู้แค่นี้ก็พอละ รู้เป็นหลักไว้แล้วมันก็รู้อันอื่นเองแหละเดี๋ยวมันโกรธขึ้นมามันก็รู้เองมันโลบขึ้นมามันก็รู้เองที่เห็นจิตแค่รู้คู่เดียวก็พอละคือเวลาเรียนกรรมฐานเรียนสติปัฏฐานเนี่ยเราไม่ได้เรียนตัวเดียวโดดๆเราเรียนเป็นคู่ๆเป็นกลุ่มๆเรียกว่าเรียนในสิ่งที่เป็นธรรมคู่สิ่งที่เป็นธรรมคู่เช่นหายใจออกกับหายใจเข้าเป็นคู่ทําไมต้องเรียนคู่หนึ่งว่ามันพลิกแปลงนะมันเปลี่ยนแปลงให้ดู เดี๋ยวหายใจออกแล้วมันก็หายใจเข้าหรือยืนเดินนั่งนอนนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ถือว่าเป็นทำคู่เหมือนกันยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนทั้งวันมันก็มีแต่ยืนเดินนั่งนอนถ้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันหายใจเข้าหายใจออกเรารู้สึกตัวก็หายใจเราก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันในกรรมฐานเนี่ยนะอันใดอันหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคู่ใดคู่หนึ่งนั่นก็พอ พอที่จะมีสติอยู่ทั้งวันนะหรือดูเวทนาสุขทุกข์เฉยๆฉยถ้ามีความสุขก็มีสติมีความทุกข์ก็มีสติเฉยเฉยก็มีสติก็คือมีสติทั้งวันแล้วพอมีสติแล้วก็ขาดสติอีกพอมีสติกับขาดสติก็เป็นของคู่กันอีกนะเรียนก็เรียนคู่เรียนเป็นคู่คู่จิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะก็เรียนเป็นคู่คู่เวลาเรียนเรียนตัวไหน ก็เรียนตัวตัวที่มันเด่นอย่างราคะมันเกิดใช่ไหมย่างผดขึ้นมาเราก็เห็นเออจิตมีราคะทันทีที่เห็นจิตมีราคะราคะก็หายไปแล้วกลายเป็นจิตที่ไม่มีราคะแต่ใจเราจะไปเพ่งเลงที่จิตที่มีราคะมันจะไม่มาเพ่งเลงที่จิตไม่มีราคะเฉะนั้นบางทีพูดย่อๆเขบอกว่าจิตมีราคะให้รู้จิตมีโทสะให้รู้จิตมีโมหะให้รู้สิ่งที่ควบมาก็คือจิตที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ นั้นคนใดคนหนึ่งคนไหนขี้โมโหก็ดูจิตที่มีโทสะไปเราก็เห็นนะทั้งวันจิตมีสองอย่างจิตมีโทสะกลจิตไม่มีโทสะคนไหนขี้โลภโลภมากตัณหามากามา ก, นะก็ดูจิตที่มีความอยากเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่หายพอรู้ว่ามันก็หายไปใช่ไหมพอรู้ว่าอยากมันก็หายไปจริงๆแล้วดูเป็น ค, คู่ความอัศจรรย์ของธรรมะก็คือให้เราเรียนรู้ทำคู่นะ พอรู้แจ้งในทำคู่เราจะรู้ทำหนึ่งเราจะเข้ามารู้ธรรมที่เป็นหนึ่งส่วนธรรมที่เป็นหนึ่งนี่ยต้องเฉลียวใจขึ้นมารู้เองเฉลียวใจขึ้นมารู้เองมันจะปิ้งขึ้นมาเองให้เราเรียนสิ่งที่เป็นคู่คู่นี่แหละสิ่งที่เป็นคู่คู่มันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูสิ่งที่เป็นหนึ่งไม่แสดงไตรลักษณ์สิ่งที่เป็นหนึ่งก็คือทำหนึ่งกับจิตหนึ่ง งั้นเวลาภาวนานะท่านบอกให้รู้อุปาทานขันจิตหนึ่งในภาษาอภิธรรมเรียกว่ามหากิริยาจิตมหากริยาจิตเป็นจิตของพระละหันเนี่ยเราไม่เอามาทําวิปัสสนาเพราะว่าพระละหันไม่ทําวิปัสสนาผู้ที่ไม่ใช่พระละหันก็ไม่มีจิตหนึ่งที่จะเอามาทําวิปัสสนาได้งั้นเราก็เรียนสิ่งที่เป็นคู่คู่เป็นกลุ่มกลุ่มไปนี่การเรียนจะเลือกเรียนอะไร ใครถนัดอะไรก็เอาอ น, นั้นแหละไม่ผิดหรอกแต่เดิมถ้าเราภาวนาเรายังไม่เข้าใจแจม่มแจ้งเราก็จะเชื่อมั่นเฉพาะเส้นทางที่เราเดินเส้นทางอื่นๆเราปฏิเสธไว้ก่อนอันนี้มันทำให้แต่ละสำนักแต่ละคนจะใจแคบต้องวิธีของฉันเท่านั้นที่จะบรรลุต้องวิธีนี้เท่านั้นที่จะบรรลุเหมือนเราขึ้นภูเขานะเราก็เลือกเส้นนี้แหละดีที่สุด เราก็ไต่ขึ้นเขากระดึบกระดึบกระดึบไปพอถึงยอดเขาจริงๆโอ้โหมันขึ้นได้รอบตัวเลยขึ้นได้ทั้งสี่ทิศเลยเพราะฉนั้นกรรมฐานจริงๆนะมีเยอะมากก็อยู่ในสติปัฏฐานสีนั่นแหละคือสี่ทิศเลยขึ้นได้ทั้งสนะี่ทิศนะทิศใดทิศหนึ่งก็ขึ้นมาถึงยอดเขาได้พอขึ้นมาบนยอดเขาได้แล้วคราวนี้รู้แล้วว่ามันมาได้ทุกทิศทุกทางไม่ปฏิเสธกันหรอกอย่างหลวงพ่อนะสมัยก่อนเรียนจากหลวงปู่ดูลแล้วก็เข้าไปตามวัดป่า เวลาเราเข้าไปถึงตัวครูบาอาจารย์อาจารย์มหาบัวหรืออะไรเงี้ยไม่เคยว่าสักคำเลยไม่ได้บอกว่าทําผิดเลยนะเข้าไปหาหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศท่านก็สอนพระในวัดท่านพุทธโฆเพียนกกากรนะแต่พอเราบอกว่าเราดูจิตดูใจเข้าไปนะไม่มีองค์ไหนว่าผิดสักองค์ไม่มีองค์ไหนเลยเพราะว่าอะไรธรรมะมันเข้าถึงกันหมดหลนะเดินมาทางไหนมันก็ไปได้ เพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะเจริญสติปัฏฐานด้วยกรรมฐานอะไรกายเวทนาจิตธรรมก็จะรู้ทั้งรูปทั้งนามอย่างถ้าทํากายานุปัสสนาถูกต้องก็จะเห็นทั้งรูปทั้งนามทําจิตตานุปัสสนาถูกต้องก็เห็นทั้งรูปทั้งนามทําเวทนานุปัสสนาก็เห็นทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่เห็นอันเดียวถ้ายังคิดว่าทํากรรมฐานแล้วเห็นอันใดอันหนึ่งอันเดียวเข้าใจผิดแล้วมันเป็นการเพ่งแล้วถ้าไม่เพ่งมันจะเห็นทั้งรูปทั้งนาม ยกตัวอย่างกายานุปัสสนาเนี่ยเรารู้กายเราเห็นรูปที่หายใจออกรูปที่หายใจเข้าหรือเราเห็นรูปยืนเดินนั่งนอนยุคนี้ก็ชอบฟองยุบก็เห็นรูปมันฟองรูปมันยุบรูปมันยกรูปมันย่างถ้าลำพังเห็นแต่รูปอย่างเดียวจะเป็นการเพยงรูปเพยงรูปไม่ใช่วิปัสสนาหรอกเป็นการเพยงตัวอารมณ์ได้แต่สมถะงั้นรุ่นหลังๆนี่ติดสมถะเยอะมากนะไปที่ไหนก็ติดแต่สมถะทั้งที่บอกว่าไม่ทําสมถะนั่นแหละติดสมถะ ถ้าปฏิบัติถูกต้องต้องรู้ทั้งรูปทั้งนามเช่นเห็นร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นรูปจิตที่รู้ถึงการหายใจอยู่เนี่ยเป็นนามร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นรูปจิตเป็นคนรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นนามต้องแยกรูปกับนามออกมาให้ได้ใจเป็นคนดูร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูเคลื่อนไหวขยับขยื่นไปพอมีใจเป็นคนดูน่างกายกับใจแยกออกจากกันปั๊บเนี่ยความเป็นตัวตนจะไม่มี มันจะเห็นทันทีเลยว่ากายอยู่ส่วนกายจิตยอยู่ส่วนจิตกายไม่ใช่เราละกายไม่ใช่ตัวเราแต่ากลายเป็นกายของเรานี่ลดสถานะจากตัวเราเป็นของเราเลยนะถ้าดูไปดูไปเรื่อยๆเราก็เห็นเลยทั้งรูปทั้งนามนะร้วนแต่บังคับไม่ได้ถึงจุดหนึ่งก็ปิ๊งขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราพระโสดาบันก็เลยรู้ความจริงว่าทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่รู้อันเดียวพวกเราหลายคนพยายามรู้อันเดียว เช่นพยายามรู้ท้องพองยุบหรือรู้ลมหายใจจะไม่ให้จิตเคลื่อนไปจากท้องพองยุบเลยจะไม่ให้จิตไปเคลื่อนไปจากลมเลยอันนั้นคือการเพ่งอารมณ์เพ่งอารมณ์เป็นสมถะนะเรียกว่าอารมณูฟนิชฌานเป็นสมถะกรรมฐานถ้าจะทำวิปัสสนาแล้วก็เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตมันก็เป็นแค่คนรู้ร่างกายอย่างสายอาจารย์แนบเขาก็สอนดีนะสอนบอกว่าอะไรนั่งเป็นรูปรู้เป็นนามเดินเป็นรูปรู้เป็นนามเขาแยกรูปแยกนาม ธรรมาแต่ละอันแต่ละอันนะถ้าเข้าใจแล้วมันได้หมดนะหรือดูจิตอย่านึกว่าทาสมถะไม่ได้ผู้ดูจิตเกือบทั้งหมดติดสมถะรุ่นก่อนๆ น, นะไม่ใช่รุ่นพวกเราเพ่งจิตก็เป็นสมถะนะไม่ใช่เพ่งจิตแล้วเป็นวิปัสสนาเพราะนั้นดูจิตดูยังไงดูจิตก็คือใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยตามองเห็นใช่ไหมเห็นไหมหไห ม, มีตาตาเป็นอะไรตาเป็นรูป สิ่งที่ตามองเห็นเป็นอะไรก็เป็นรูปอีกตามองเห็นนะจิตยินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทันมีทั้งรูปมีทั้งนามนะไม่ใช่จ้องอยู่ที่จิตอยากจะดูจิตก็คืออ้าวพอละครังแก้งจ้องไวมจ้องจ้องที่จะดูจิตก็คือเอาจิตไปดูจิตเอาจิตไปแสวงหาจิตหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าเอาจิตไปแสวงหาจิตนะอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจองนั้นต้องเรียนนะเรียนให้ ถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วอะไรก็ได้ยกเว้นกรรมฐานที่ดูอะไรที่ไม่เกี่ยวกับกายกับใจกรรมฐานที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจเท่านั้นแหละที่ไปไม่ได้กรรมฐานใดเนื่องด้วยกายด้วยใจถ้ารู้กายรู้ใจอย่างถูกวิธีก็ไปได้เหมือนกันหมดเลยนะไม่มีข้อจำกัดนะเพราะงั้นเราสนัดกรรมฐานอะไรเราก็ใช้อ น, นันแหละไม่ต้องเปลี่ยนในวัดหลวงพ่อนี่สารพัดกรรมฐานเลยนะมีหมดนะ ขยับตัวก็มีขยับมือขยับนิ้วบางคนเป็นขี้เกียจเดินจงกรมนะว่าขยับแค่นิ้เองามว่าได้ไหมได้ขยับแล้วรู้สึกตัวไหมรู้สึกขึ้นมาก็ใช้ได้หรือเห็นรูปที่กําลังขยับอยู่รูปที่กําลังขยับอยู่ไม่ใช่ตัวเรานี่ก็คือการรู้รูปขยับไปแล้วแม้มันมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขนี่รู้เวทนาขยับไปแล้วก็ใจลอยแวบไปรู้ทันว่าใจลอยไปนี่รู้จิตไหแค่ขยับนิ้วเดียวนี้สติปัฏฐานมีทั้งนั้นเลย แล้ธรรมานุปัสนาอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เห็นพูดถึงธรรมานุปัสนาคือการเห็นสภาวะธรรมนั่นเองการเห็นสภาวะธรรมนั่นเองเห็นไหมมีแต่รูปกับ น, นามไม่มีอะไรมีแต่รูปกับนน่ำง่ายนะอะไรก็ง่ายไปหมดเลยไม่เห็นมีอะไรยากเลยนะใครทากรรมฐานนะอย่างสายหลวงพ่อเทียนขยับเนี่ยปุ๊บถ้าเห็นรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่รู้รูปขยับไปแล้วเกิด ความสุขขึ้นมาแหมสบายใจขยับแล้วสบายใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่รู้เวทนาละขยับแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันว่าจิตฟุง้งซ่านแต่ละนี่รู้จิตเห็นไหมทั้งหมดนี้เป็นรูปธรรมและนามธรรม ท, ที่ทำงานอยู่ไม่มีตัวเราเนี่ยธรรมานุปัสสนาั้นอะไรก็ได้นะดูท้องพองยุบไปเห็นเลยตัวที่พองตัวที่ยุบมันไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นการรู้กาย ดูท้องพองยุบไปแล้วแหมมันไม่สบายใจวันนี้เนะมื่อไหร่มันจะบรรลุสักทีวะดูมาตั้งสองชั่วโมงมยังไม่เป็นพระอรหันต์เลยชักโมโหแล้ว <c oughs> โมโหขึ้นมานะก็รู้ทันโมโหนี่ก็เป็นจิตตานุปัสสนาหงุดหงิดแล้วก็ใจมีความทุกข์ขึ้นมารู้ว่ามีโทมนัสขึ้นมานี่ก็เป็นเวทนานุปัสสนะเห็นเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราสัอันเดียวเป็นแต่สภาวะธรรมล้วนๆ น, นี่ก็เป็นธรรมานุปัสสนาขึ้นมา ไม่อะไรก็ได้นะอะไรก็ได้แล้วแ็ในในยะกลับกันอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันนะถ้าทำผิดเพราะฉะนั้นไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีที่สุดนี่หลวงพ่อพูดอย่างนี้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าเราเรียนมาเยอะเลยเ่เรียนที่โน้นที่นี่นะแล้วก็อ้อแก่นมันอยู่ถ้าได้แก่นนะถ้าได้แก่นแล้วอะไรก็ได้อย่างไรนะถ้าไม่ได้แก่นล้วก็ได้แต่เปลือกได้แต่เปลือกเปลือกสวยยังไงก็ใช่ไม่ได้ ยังเดินจงกรมนะมั้นแหมยกเท้าสูงสีนิ้วเป๊ะเ ป, ะเปะนะเดินสวยเดินงามนะโธ่พวกโยธวาที่เดินสวยกว่าตั้งเยอะนะเดินสนุกสนานกว่าไม่เห็นจะบรรลุอะไรเลยหรือทหารเดินแถวใช่ไหมตบเท้าปึ๊บปุไม่เห็นจะบรรลุอะไรเลยมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่านะไม่ได้อยู่ที่เปลือกไม่ได้อยู่ที่กล่องของมันเนื้อหาสาระคือเนื้อในของมันแหละตัวสําคัญ บรรจุพันธุ์คือกล่องทั้งหลายนยแล้วแต่จะชอบบางคนชอบผ้าคีริ้วห่อทองเอาแค่ผ้าคีริ้วก็พอแล้วรูปแบบไม่ต้องสวยพอให้เนื้อในใช้ได้เนี่ยบ า, บางคนต้องสวยทั้งข้างนอกข้างในนั่งก็ต้องนั่งอย่างสำรวมยืนเดินนั่งนอนต้องงดงามไปทั้งสิ่งทุกอย่างนะอย่างนี้ก็แล้วแต่นิสัยใจคอครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยแต่และองค์ก็ไม่เหมือนไม่มีเหมือนกันเลยนะ ครูบาอาจารย์บางอง์ังามทุกกระเบียดนิ้วเลยอย่างหลวงปู่เทศงามงามเหมือนไม่ใช่มนุษย์นะเหมือนเทวดาเลยงามจริงๆจะขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวอะไร น, นะดูแล้วดึงดูดใจทั้งสิ้นเลยอาจารย์มหาบวท่านบอกถ้าใครงามอย่างหลวงปู่เทศเรียนแบบหลวงปู่เทศก็งามทุกคนเลย <S <S 2> <S 2> แต่ว่าพระที่ปฏิบัติจริงๆนะจะไม่เรียนแบบกันหรอกมันจะเป็นเรื่องของวาสนานะริยาท่าทางคําพูดทำจาจนิสัยใจคออะไร เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่เปลี่ยนหรอกไม่แกล้งทํานะไม่วางฟอร์มให้ดูน่านับถือหรอกใครจะนับถือก็ช่างไม่นับถือก็ช่างนะยิ่งไม่นับถือท่านยิ่งชอบนะ <c oughs> ให้มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่า ม, มีพระองค์หนึ่งท่านภาวนาดีดีภาวนาเก่งมากเลยแต่ท่านไม่ชอบยุ่งกับโยมพอโยมเข้าวัดมานะท่านก็รีบเดินไปที่กำแพงไปคุยกับกำแพงไงเธอสบายดีไหม <c oughs> โยมหนีไปหมดเลยนะ โอ้ท่านมีความสูขของท่านทั้งทั้งชาติเลยนะหลวงพ่อนี่อะไรคิดผิดเหนื่อยทั้งชาตินะ <c oughs> ฝึกเอาหน้เอาเนื้อหาสาระให้ได้นะเปลือกก็แล้วแต่ใครชอบใครถนัดพองยุบก็ทําพองยุบไปใครถนัดขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ทําใครจะฝึกอย่างวัดป่าก็เอาใครจะทําอนาปนานสติก็ทําอย่างอนาปนานัสตินะไม่เห็นคนทําได้จริงสักเท่าไหร่เลยนะ มีแต่หายใจหายใจแล้วกลายเป็นสมถะทั้งๆ ท, ที่อานาปนานสติแท้ๆนี่นะคือการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ี่เลยถ้าทําเป็นนะอนาปนานสติทั้งหมดนะั่นแหละคือสติปัฏฐานทั้งหมดเลยทั้งสเลยไม่ใช่แค่หายใจให้สงบเท่านั้นเสร็จแล้วก็จะพ้นทุกข์นะฝึกแตถึงสุดท้ายมันจะเห็นความจริงทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราเห็นความจริงก่อนละความเห็นผิดว่ามีตัวเราตัวเราไม่มีเป็นพระโสดาบัน ไปเห็นนิพพานเป็นครั้งแรกเห็นนิพพานครั้งแรกอือหืออย่างนี้ก็มีด้วยตัวรานี่ไม่มีอะไรหันมาย้อนดูตัวเองหัเต็มไปด้วยกิเลสถ้าโสดาบันกิเลสเยอะนะอย่าไปยั่วโมโหนะถึงเขาไม่เตะเอาแต่เขาก็คงอยากเตะนะนี่ต้องฝึกไปอีกในสุดปัญญามันแจ้งขึ้นมาร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเน่ยเห็นทุกขนะ์น่ยสุดท้ายทุกข์เพราะไม่เที่ยงบ้างทุกข์เพราะเป็นทุกว่างทุกข์เพราะเป็นอนัตตาบ้าง เห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆหมดความยึดถือกายก็ไม่ทุกข์เพราะกายหมดความยึดถือกายก็ไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพระก็หมดความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพระตามและปฏิฆาเขาขาดเราเห็นแจ้งแล้วไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายหรือไม่ยึดในรูปเห็นรูปเป็นทุกข์ล้วนๆก็ได้พระอนาค่ะ คราว น, นี้การปฏิบัติมันจะบีบบงเข้ามาที่จิตเท่านั้นแหละเพราะว่าแจ่มแจ้งในกายและแจ่มแจ้งที่กายมันจะมารู้ที่จิตรู้จิตลงไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเห็นยากที่สุดไม่มีอะไรที่เห็นยากเท่ากับการเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆพวกเราจะเห็นแมมเวลาจิตหลงไปจะทุกข์ใช่ไหมพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นมันเบิกบาน มันไม่ใช่ทุกนะมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สงบผู้สะอาดผู้สว่างแสนดีแสนวิเศษเลยมัจะไปยึดถือเป็นที่พึ่งที่อาศัยฝากเป็นฝากตายกันอยู่ที่ตัวจิตผู้รู้นี่แหละถ้าปัญญาไม่พอนะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าตัวจิตผู้รู้ก็เป็นตัวทุกเนี่ยฝ่ายากฝ่าด่านนี่ยากที่สุดเลยแต่ถ้าเคยได้ยินได้ฟังว่าตัวจิตผู้รู้ก็ไม่ให้เอานะฝึกไปฝึกไปวันหนึ่งมันปิ้งขึ้นมา มันสลัดคืนจิตให้โลกไปโลกทั้งโลกนั้นมันปรากฏขึ้นด้วยจิตขันห้าทั้งหมดนะปรากฏขึ้นด้วยจิตทิ้งจิตตัวเดียวก็คือทิ้งขันห้าทิ้งขันห้าก็คือทิ้งโลกทั้งโลกเพรา ะ, ะนั้นบางครั้งพระพุทธเจ้ า, าถึงบอกว่าโลกคืออะไรโลกคือขันห้าโลกคือรูปคือนามรูปนามเกิดจากอะไรเห็นหเกิดจากจิตดวงเดียวนั่นแหละเพราะวิญ ญ, ญาณหยางลงใช่หไหรูปนามก็ปรากฏขึ้นมา ถ้าแจ่มแจ้งนะทิ้งจิตตัวเดียวเนี่ยก็ทิ้งรูปนามทั้งหมดก็ทิ้งโลกทั้งหมดอยู่เหนือโลกเรียกว่าโล ก, กุตระเราจะเห็นในรูปนามที่เหลืออยูนะ่เวลาเห็นรูปนามที่เหลืออยู่นะเห็นเหมือนภาพลงตาเห็นเหมือนความฝันเห็นเหมือนพยับแดดนะเห็นเหมือนประกายหมอกอะไรอย่างเนี้ยเป็นภาพหลอกๆทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ของจริงของแท้อีกแล้ว แล้วก็จะรู้เลยครูบาอาจารย์บางองคศอนขันทั้ง5ทั้งรูปทั้งนามนะขันทั้ง5้าเป็นกริยาของจิตหลวงพูดูสอนอย่างนี้นะขันทั้ง5เป็นกริยาของจิตหลว ง, นะ ง, งพ่อไม่ค่อยได้เอามาสอนเรื่องนี้เพราะยากเกินไปเอาไว้เห็นจิตหนึ่งก็จะเห็นหรอกขันทั้ง5้าเป็นกริยาของจิตหลวงปู่ขาก็สอนลึกไปนะสอนไปอีกอย่างคล้ายๆกันบอกขันทั้งห้าเป็นแสงของจิตแยกออกไปทั้งโลกธาตุนี่ทั้งหมดนะเป็นแค่แสง แสงคือเป็นกลุ่มของอะไรบางอย่างไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สาสารไม่ใช่พลังงานเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งแต่ท่านไม่รู้จะเรียกอะไรท่านเลยเรียกว่ามันเป็นแสงรวมความแล้วทั้งโล ก, กาธาตุแต่ว่าแต่กายกใจนี้เลยจักรกวาลทั้งจักรวาลก็ไม่ได้มีอยู่จริงมีแต่ความน่าจะมีอยู่ท่านอาศัยจิตเข้าไปหมายไปสําคัญมั่นหมายก็เกิดมีขึ้นมา มีโลกภายนอกแล้วมันก็มีโลกภายในขึ้นมาความจริงมันเกิดจากการจิตกันเอาโลกาธาตุบางส่วนมาเป็นตัวเราไปพอเราสร้างตัวเราขึ้นมามันก็มีสิ่งซึ่งเกินตัวเราเออกไปมีคนอื่นขึ้นมามีโลกาธาตุภายนอกที่แวดล้อมอยู่ถ้าเข้าใจความเป็นจริงมันก็สลัดคืนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคืนให้โลกาธาตุไปก็เป็นอันเดียวกันทั้งหมดสภาวะธรรมทั้งหลายเลยเป็นอันเดียวกันทั้งหมดไม่มีแบ่งแยก ไม่แยกออกมาว่านี่เป็นธรรมภายในเป็นธรรมภายนอกไม่แยกเป็นธรรมที่หยาบที่ละเอียดที่สุขที่ทุกข์ที่ดีที่ชั่วที่เป็นเราที่เป็นเขาอะไรนี้สิ่งที่เป็นคู่คู่ไม่มีนะเพราะสลัดคืนนะไม่มีสิ่งที่เป็นคู่คู่เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งอยู่นั่นนะถ้าเข้าถึงหนึ่งะถึงจะเข้าถึงความจริงของศาสนาพุทธนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะในพระไตรปิฎกมีหลวงพ่อจําไม่ได้นางอะไรหน้าที่เป็น ปริภาชกปริพาชิกาที่เที่ยวท้าคนโตวาทีถือกิ่งว่าไปท้าเสร็จแล้วไปท้าภาษาริบุตรเข้าไปถามอะไรภาษาริบุตรตอบได้หมดเลยเพราะพภาษาริบุตรเนี่ยเป็นปริภาชกระดับอาจารย์มาแล้วเรียนมาก่อน น, ะนี่รุ่นหลงนะังเสร็จแล้วพอพระส า, สาริบุตรถามบ้างว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งปริภาชกนี่ตอบไม่ได้ว่าอะไรชื่อว่าหนึ่ง แค่ดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นคู่คู่ทั้งหมดเลยไม่เห็นมีอะไรที่เป็นหนึ่งเลยตอบไม่ได้ว่าอะไรเป็นหนึ่งก็ขอเรียนยอมละทิ้งทิฏฐิมานะขอเรียนจากพระสารีบุตรว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งพระสารีบุตรบอกว่าพุทธมนีชื่อว่าหนึ่งท่านตั้งชื่อว่าพุทธมนีแล้วแต่จะสมมติบัญญัตินะความจริงก็คือธรรมนั่นเองปริผาชโชคน่อยากเรียนปริพาชิคาอยากเรียนพุทธมน ท่านก็บอกต้องบวชถ้าไม่บวชไม่สอนให้ท่านก็เลยบวชก็เลยเป็นภิกษุณีที่เป็นเอตทัคขะาองค์หนึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้เราจะเรียนนะจากสิ่งซึ่งเป็นคู่ถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นสิ่งที่เป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นคู่จะเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายมจะพลิกกลับไปกลับมาสิ่งที่เป็นหนึ่งจะไม่มีการพลิกกลับไปกลับมาจะเที่ยงสิ่งที่เป็นหนึ่งจะเป็นสุขนะ สิ่งที่เป็นหนึ่งไม่ใช่ตัวตนยังไม่ใช่ตัวตนอยู่นะแต่ว่าเที่ยงเป็นสุขแต่ไม่ใช่ตัวตนเพราะนั้นนิพพานเนี่ยเที่ยงเป็นสุขแต่ไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่นิพพานเป็นตัวเป็น ต, ตนนะเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของนิพพานไม่มีตัวตนอะไรที่จะเป็นเจ้าของนิพพานอ่ะแปดโมงพอดีเชิญไปทานข้าวเทศไหลก็ไม่รู้หนะ้าวันนี้ฟังฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกัน นิมนต์ครับนิมนต์